เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านตั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยในพระพุทธรัตนะในพระธรรมรัตนะในพระสังฆรัตนะว่าเป็นสระเป็นที่พึ่งอันสูงสุดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่ชีวิตจิตใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราแล้วเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีมากกว่านายกรัฐมนตรีมากกว่าประธานาธิบดีมากกว่าพระมาหาจักรพรร เพราะสิ่งต่างๆที่มหาเศรษฐีประธานาธิบดีมหาจากักรพรรดมีนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เขามีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่สามารถทำให้เขาไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของเขานั่นเองความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้แม้จะมีมากมายเพียงไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ใจให้เข้ามาเหยียบย่ำทําลายความสุขตา่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้น ที่สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปสามารถป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้และสร้างความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายหมดไปอยู่ที่พระพุทธธรรมผสมนี้เท่านั้นไม่มีสิ่ง อื่นใดในโลกนี้ที่จะเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราอย่างมากที่ได้มาเกิดแล้วได้มาพบกับพระรัตนตรัยได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีโอกาสที่จะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเรา ว่าพุทธธรรมทศสงค์นี้ก็เปรียบเป็นเหมือนยารักษาโรคถ้าเรามียาแต่เราไม่ได้รับประทานยาเข้าไปในร่างกายยาก็ยังไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ภายในร่างกายได้เราต้องรับประทานยาเข้าไปเมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายแล้ว ยาก็จะสามารถทําหน้าที่ที่จะรักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็ฉันนั้นพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็เป็นธรรมโอสถ ร, รักษาโรคใจคือความทุกข์ต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ความทุกข์ที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่รักที่ปรารถนาไปความทุกข์ที่เกิดจากความว้าวุ่นขุ่น ม, มัวในยามที่จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะหมดไปจากใจของเราได้ถ้าเรา รับประทานธรรมโอสถคือน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ในใจของเราน้อมด้วยวิธีไหนน้อมด้วยวิธีศึกษาท่านต้นเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไรเมื่อเราได้รู้แล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธท่านดำเนินชีวิตอย่างไรเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างท่านพระสงฆ์ดำเนินชีวิตอย่างไรเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างท่านพระธรรมสอนให้เราดาเนินชีวิตอย่างไรเราก็ต้องดำเนินตามคำสอนของท่านเมื่อเราได้ดำเนินได้ปฏิบัติแล้วก็เท่ากับ การได้รับประทานธรรมโอสถพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วก็จะรักษาความทุกข์ใจต่างๆให้หายให้หมดไปได้ทำให้ใจมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพออยู่ตลอดเวลาชั่วอนันตกาลเพราะใจของเรานี่ มีอายุยืนยาวนานไม่มีวันหมดสิ้นไม่เหมือนกับร่างกายของเราที่มีอายุไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากน้อยคนที่จะอยู่เกินร้อยปีไปได้ความสุขต่างๆที่เราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหามาก็จะต้องหมดไปมีเงิน ทองกองเท่าภูเขามีตาแหน่งถึงพระเป็นถึงพระมาหาจากักรพรรดิมีคนย่อมย่อมสรรเสริญอยู่ตลอดเวลามีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดภภพปวดทพะอยู่ตลอดเวลาก็จะต้องหมดไปตามการหมดสภาพของร่างกายไปส่วนใจก็ต้องทุกข์ทรมารเพราะเวลาที่จะต้อง พัดลากจากสิ่งที่ใจรักที่ใจชอบก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากมายแล้วก็จะต้องไปหาความสุขใหม่ต่อด้วยการไปเกิดใหม่แต่ก่อนที่จะไปเกิดใหม่ได้ก็อาจจะต้องแวะไปใช้หนี้ก่อนไปใช้บาปใช้กรรมก่อน เพราะในสมัยที่มีชีวิตอยู่พยายามหาราบยศสารเสริญสุขด้วยการกระทํำผิดศีลผิดธรรมเช่นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเท็ดเสพสุรายามาเพราะไม่รู้ว่าการกระทําเหล่านี้มีผลตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วคิดว่า พอร่างกายหมดแล้วจบแล้วผลก็จะไม่มีตามมาต่อไปจะมีก็จะเฉพาะขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่เช่นไปทําผิดกฎหมายก็จะอาจจะถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางได้แต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วกฎหมายเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะจับร่างกาย ที่เป็นซากศพนี้ไปลงโทษได้อีกต่อไปแต่กรรมนี้ยังจับผู้กระทาที่แท้จริงไปลงโทษต่อไปได้เพราะผู้ที่กระทาที่แท้จริงนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่ใจใจนี่แหละเป็นผู้กระทาบุญและบาปและเป็นผู้ต้องรับผลของบุญและบาปร่างกายนั้นเป็นเพียงจำหนุน เป็นเพียงลูกน้องที่พลอยรับอนิสง์ของบาปและบุญไปด้วยแต่ผู้ที่จะต้องรับผลบุญและบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี้ยมีอยู่ก็คือใจนี้เองเพราะใจนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้คืออะไร ใจก็คือผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้เองผู้ที่คิดสั่งการต่างๆให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้คือใจเป็นผู้สั่งและเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสัมผัสผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเป็นเหมือนเครื่องอัดเสียงที่จะรับรูปเข้าไปในใจให้ใจเป็นผู้รับรู้อีกทีหนึ่งผู้ที่จะรับเสียงเข้าไปในใจแล้วก็ไปรับรู้ที่ใจอีกทีน ร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเหมือนกล้องอัดเสียงเขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดในตัวของเขาแต่ใจนี้แลเป็นผู้ที่รู้เพียงแต่ว่าใจนี้ขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสอนให้รู้ตามความจริงเลยรู้ตามความหลงคือรู้ไม่ตรงความจริง ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ต้องสัมผัส ร, รับรู้นี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่มีการเกิดและมีการดับไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ได้มารับรู้นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใจที่จะควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปควบคุมได้บังคับได้บางครั้งบางเวลาแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาจะดื้อที่เขาจะไม่ยอมให้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจใจก็ไม่สามารถทำอะไรได้เช่นร่างกายนี้ใจไม่สามารถไปห้ามไม่ให้ร่างกายนี้แก่ได้ไม่สามารถไปห้ามให้ร่างกายนี้ เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่สามารถห้ามไม่ให้ร่างกายนี้ตายได้เพราะความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้อยู่เหนืออำนาจของใจที่จะไปควบคุมไปสั่งได้ถ้าใจไม่ฉลาดไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ ให้รู้ว่าร่างกายนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาใจต้องปล่อยวางเพราะถ้าใจไปอยากให้เป็นอย่างอื่นใจจะทุกข์ทรมานขึ้นมาทันทีใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ควรไปยึดติดกับร่างกายแต่เนื่องจากขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนมาบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจ ไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือร่างเราคือใจผู้มีความรู้สึกยึกคิดผู้ที่ไม่ใช่เป็นร่างกายไม่ควรที่จะไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายเพราะพอมีความอยากอย่างนี้ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าเป็นทุกข์ในอริยสัจสีนี้เองในใจของเรานี้มีความทุกข์ทุกข์นี้เราเรียกว่าอริยสัจสีความทุกข์นี้ต่างกับความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้ไม่ใช่อริยสัจสี่เป็นเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายก็จะแสดงก็จะมีทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมาให้ใจรับรู้ถ้าใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหลงคิดว่าตนนั้นเจ็บไข้มีความเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปพอเกิดความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปก็เลยสร้างความเจ็บที่ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นความเจ็บหรือเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันจนทำให้ใจนี้ไม่สามารถทนรับกับความเจ็บของใจได้แต่ไปคิดว่าเป็นความเจ็บของร่างกายความจริงแล้วมันเป็นความเจ็บที่ใจสร้างขึ้นมาเองด้วยความอยากให้ความเจ็บ ของร่างกายนี้หายไปแต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนให้เราอย่าไปเจ็บกับร่างกายอย่าไปอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปอย่าไปกลัวอย่าไปอยากหนีจากความเจ็บของร่างกายไปให้ทำใจให้นิ่งเหมือนกับที่เรียกว่าทำใจดีสู้เสือไว้ มันไม่กัดเราหรอกถ้าเราไม่ไปทำอะไรถ้าเรานั่งเฉยๆมันจะไม่กัดเราถ้าเราไม่วิ่งหนีจากมันมันจะไม่วิ่งกัดเราถ้าเรานั่งเฉยๆมันจะกลัวเรามันจะไม่กล้าทำอะไรเราถ้าเราทำใจของเราให้นิ่งเฉยๆได้ด้วยการใช้อุบายของสมาธิคือบริกรรมพุทโธพุทโธไป เวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายอย่าให้ใจมีโอกาสเกิดความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่นานความเจ็บที่ ที่เราทนไม่ได้ที่ใจสร้างขึ้นมานี้ก็จะหายไปหมดเลยเหลือแต่ความเจ็บของร่างกายซึ่งเป็นความเจ็บเล็กๆน้อยๆที่ใจสามารถรับกับมันได้อย่างไม่เป็นปนัญหาเลยนี่คือวิธีที่เราจะปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆโดยอาศัยคำสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเครื่องมือถ้าเราทําอย่างนี้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วเราจะเห็นความมหัศจรริ์ใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่ลังเลสงสัยว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงหรือไม่แล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะช่วยเราได้จริงหรือไม่ พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ท่านช่วยตนเองให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปได้หรือไม่จะไม่มีความสงสัยเหล่านี้อยู่ภายในใจเพราะเห็นแล้วจากการปฏิบัติตามพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสง์นี้เองว่าถ้าเราหยุดใจของเราไม่ให้สร้างความอยากขึ้นมาได้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานั้น จะหายไปอย่างหมดสิ้นปิดทิ้งเลยนี่แวละคือการมีพระธรรนาจอยู่ในใจของเราก็คือการรู้จักวิธีควบคุมใจของเราไม่ให้ผลิตความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะความอยากต่างๆที่ใจผลิตขึ้นมานี้จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาไม่เชื่อลองสังเกตดู วันไหนไม่สบายใจมีความทุกข์ใจร่างกายก็ไม่เป็นอะไรร่างกายก็เป็นปกติมีข้าวกินมีน้ำดื่มนอนหลับสบายแต่ใจวุ่นวายไม่สงบลองถามซิว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้วุ่นวายกับเรื่องอะไรวุ่นวายกับลูกเหรอแล้วเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องถามว่าพอเราไปอยากให้ลูกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเราไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นได้หรือไม่ถ้าเราเห็นแล้วว่าไม่ได้อยากแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมทําตามความอยากของเราเราก็ทุบคนเดียวเขาไม่ได้ทุบ ก, กับเราแต่ถ้าเราเห็นว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปทําให้เขาทําตามความอยากของเราได้เราก็หยุดอยากเสียก็หมดเรื่องพอเราหยุดอยาก ความว่าวุ้นขุนมัวก็จะหายไปมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันมันอยากจะตายก็เรื่องของมันมันอยากจะไปติดทุกติดตารางก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่สอนมันเราก็สอนมันให้ดีที่สุดเตือนมันเท่านั้นเองแต่เราไม่สามารถจับมันล่ามโซ่ไว้ในบ้านได้ตลอดยีบสี่ชั่วโมงเขาก็ต้องไปตามอำนาจ ของบุญของกรรมของเขาถ้าเขาทำกรรมมามากเขาก็จะมีกรรมเป็นตัวผลักดันคือมีบาปเป็นตัวผลักดันให้เขาไปทำบาปต่างๆเช่นให้ใครไปเสพสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเจียดคราง อันนี้เป็นผลของบาปที่ได้ทำมาในอดีตถ้ามีมากก็ยากต่อการที่จะแก้ไขได้ถ้าเจ้าของไม่แก้เองนี้คนอื่นแก้ให้ไม่ได้ถ้ามีน้อยคนอื่นก็พอจะช่วยได้ช่วยสอนช่วยเตือนช่วยยับยั้งแวงแต่ถ้ามีมากนี้คนอื่นนี้ไม่สามารถที่จะหักห้างเขาได้ จะห้ามได้ก็แต่เวลาที่เขาอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของพ่อของแม่เท่านั้นแต่พอเขาโตเป็นตัวของเขาแล้วเขาจะต้องไปตามทางของเขาไปตามทางบุญทางบาปของเขาถ้าเขาเคยชอบดื่มสุราเขาก็จะต้องไปดื่มสุราเคยชอบเล่นการพ น, นันก็จะต้องไปเล่นการพ น, นันเคยชอบเที่ยวกลางคืน เขาก็จะออกเที่ยวคลคืนเคยคบคนชั่วเป็นยศเขาก็จะไปคบกับคนชั่วต่างๆถึงแม้พ่อแม่จะเป็นคนดีเป็นคนเข้าวัดเข้าวาทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ลูกจะไม่ทำตามเพราะว่าลูกนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้มาจากพ่อแม่มาจากบุญจากกรรมที่เขาทำไว้ในอดีต พอเขาตายจากร่างกายอันก่อนเขาก็มามากับบุญกับบาปของเขาหลังจากที่เขาไปใช้บุญใช้บาปแล้วเขาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเขามาเกิดในท้องเราเขาก็เป็นลูกเราแต่เพียงลูกเพียงแต่ทางร่างกายเราให้ร่างกายเขานี้แต่เราไม่ได้ให้จิตใจเขา เราไม่ได้ให้บาปให้บุญที่ติดมากับติดใจของเขาเขาเป็นผู้เอาติดไปกับเขาดังนั้นพอเขามาเกิดแล้วเขาก็จะมีบุญมีบาปเป็นผู้ขักดันถ้าเขามีบุญเป็นผู้ขับดันเขาก็จะเป็นคนดีไม่ต้องสอนเขาก็ได้ไม่ต้องบังคับเขาก็ได้เขาจะเป็นคนดีของเขาเองเพราะเขามีนิสัยมาทางนี้ จะเป็นคนดีเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดือขยันเรียนหนังสือขยันทางานไม่ชอบเที่ยวเตร่ไม่ชอบเล่นการพนันไม่ชอบดื่มสุราอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ของบุญที่เขาได้ทำมาในอดีตถึงแม่พ่อแม่จะชอบดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันแต่คนนี้เขาจะไม่เล่นเขาจะไม่ดื่ม พ่อแม่จะชวนให้เขาดื่มสุราเขาก็จะไม่ดื่มเพราะเขาไม่ชอบสิ่งเหล่านี้เพราะในอดีตชาติเขาทำอย่างนี้มาจนติดเป็นยิสัยไปนี่คืออำนาจของบุญและบาปที่จะติดไปกับใจของแต่ละคนถ้ามีมากก็จะมีอิทธิพลมากถ้ามีน้อยก็จะมีอิทธิพลน้อยคนเราที่เกิดมา จึงมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันบางคนถ้ามีบุญหรือบาปมามากก็จะสอนยากสอนถ้ามีบุญมากจะสอนให้เข้าไปทำบาปก็ยากถ้ามีบาปมามากสอนให้เข้าไปทำบุญทำความดีก็ยากแต่ถ้ามีมาไม่มากนี่ก็อาจจะสอนได้สอนให้ไปทำบุญก็จะไปทำบุญ สอนให้ไปทำบาปก็จะไปทำบาปลูกถึงมีหลายชนิดด้วยกันลูกที่ดีกว่าพ่อแม่ก็มีลูกที่ดีเท่าพ่อแม่ก็มีลูกที่ด้อยกว่าพ่อแม่ก็มีเพราะว่าพ่อแม่นี้ไม่ได้เป็นผู้ให้ความดีความชั่วกับเขาแต่ความดีความชั่วของเขานี้ เกิดจากบุญบาปที่เขาทำมาในอดีตเพราะแม่ให้เขาเพียงแต่ร่างกายหน้าตาเขาจะเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่นิสัยใจคอนี้ไม่แน่ว่าจะเหมือนหรือไม่เพราะว่าอยู่ที่บุญที่บาปที่เขาได้ทำมาในอดีตถ้าพ่อแม่มีบุญแล้วถ้าเกิดเขาเคยทำบุญมา ก็อาจจะมีนิสัยเหมือนพ่ อ, มอแม่ได้ชอบทำบุญชอบมาวัดชอบฟังธรรมะชอบปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ถือว่ามามาเกิดในครอบครัวที่มีบุญเหมือนกันถ้าไปเกิดในครอบครัวที่มีบาปเหมือนกันก็จะชอบเดินชัวราชอบเล่นการกระ น, นชอบโกหกหลอกลวง ชอบรักขโมยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือเรื่องของบุญและบาปที่จะติดไปกับเราต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเรารู้ว่าบาปไม่ดีเราก็สามารถที่จะฝืนมันได้เช่นเวลาเราอยากจะดื่มสุราเรารู้ว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เราก็พยายามฝืนอยากไปดืมแล้วต่อไปความอยากดื่มสุราก็จะเบาบางลงไปทีละเล็กทีละน้อยตามกําลังที่เราฝืนเหมือนทุกครั้งที่เราฝืนเหมือนก็เหมือนตัดความอยากที่จะดื่มสุราให้น้อยลงไปจากร้อยก็เหลือ90สบครั้งต่อไปก็เหลือแปสบครั้งต่อไปก็เหลือเจ เหมือนกับรถที่เราทุกครั้งที่เราเหยียบเบรคความเร็วมันก็จะชะลอลงไปจากร้อยก็เหลือ9ก้าสถ้าเราเหยียบเรื่อยๆต่อไปมันก็จะลงมาที่ศูนยได้รถก็จะจอดสนิทได้ฉันใดความอยากทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราหยุดมันฝืนมันต่อไปมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนในที่สุด มันก็จะไม่มีงเหลืออยู่ในใจความอยากต่างๆของเราที่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราสอนใจให้ให้ฝืนความอยากเหล่านี้ให้ยอมรับความจริงว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายทุกครั้งที่เราสอนใจเรา ก็จะทำให้เรามีความคิดที่จะต้องเลิกความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองมีใครอยากจะฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บนะ้าฝันไปให้เสียเวลาเปล่าๆคนที่ซื้อลอตเตอรี่เขายังไม่เคยฝันเลยว่าเขาจะไม่ถูกทั้งๆที่โอกาสที่จะไม่ถูกนี้ มันมีมากกว่าจะถูกต้องห ล, หลายพันเท่าด้วยกันแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีความฝันอยู่มีความหวังอยู่ว่าเขาอาจจะได้ถูกลัตเตอรี่รามาัที่หนึ่งเขาถึงยังมีความอยากที่จะถูกลตัตเตอรี่แต่เรื่องความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายนี้พวกเราทุกคนรู้อยู่ว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลย แล้วเราไปฝันทำไมไปอยากทำไมไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทำไมอยากไปแล้วผิดหวังอยากไปทำไมสู้อยากแล้วสมหวังไม่ดีกว่าเช่นอยากให้เราแก่อยากให้เราเจ็บอยากให้เราตายอย่างนี้จะสมหวังแล้วก็จะไม่เสียใจจะไม่ผิดหวังนี่แหละเราต้องเป็นผู้กล้าหาญต้องกล้าที่จะแก่ ต้องก้าที่จะเจ็บต้องกล้าที่จะตายแล้วเราจะมีความสุขใจเพราะเราเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นเองไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจเราต้องรู้จักคลิปใจของเราให้ให้จากความโง่ให้มาเป็นฉลาดให้ได้ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือสอนให้เรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตาย สอนให้เรายอมรับความจริงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าไปอยากให้เป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นไปไม่ได้เช่นได้ลูกชายมาแล้วอยากจะให้เป็นลูกผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้ชายก็ต้องยอมรับเขาเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องยอมรับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเพราะจะทาให้เรา ทุกใจเราจะทำให้เราไม่รักเขาจะทำให้เรากับเขานี้อยู่กันอย่างไม่มีความสุขแต่ถ้าเรายอมรับเขาตามความจริงของเขาเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือไม่ใช่หญิงหรือไม่ใช่ชายถ้าเรายอมรับเขาได้เราก็จะมีความสุขกับเขาเขาก็จะมีความสุขกับเราปัญหาของใจเราอยู่ตรงนี้ อยู่ที่เราไม่ยอมรับความจริงกันเราสร้างความอยากขึ้นมาเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุเพราะความหลงของเราคิดว่าถ้าอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้แล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าความอยากต่างๆนี้แหละเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นขอให้เรา ไปยามศึกษาวิถีชีวิตของพระพุทธเจา้าวิถีชีวิตของพระอาริยสงสาวกศึกษาถึงพระธรรมคำสอนว่าท่านสอนให้เราทำอะไรสอนให้เราอยากหรือสอนให้เราไม่อยากสอนให้เรายึดติดหรือสอนให้เราปล่อยวางท่านยึดติดหรือท่านปล่อยวางท่านอยากหรือไม่อยากให้ดูตรงนี้ เพื่อที่เราจะได้มีมีแบบมีฉบับมีผู้นำทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้เรามีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐียิ่งกว่ามหาจักรพรรดิด้วยการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจ ให้มาเป็นสารณะให้มาเป็นสมบัติของเราให้ได้แล้วเราจะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงจะเป็นมหาจักรพรรดิที่แท้จริงเพราะเราจะอยู่เหนือกิเลสสมานทั้งหลายกิเลสสมานจะไม่สามารถที่จะมาทำลายเราได้เพราะเราได้ทำลายมันหมดไปจากใจของเราแล้วนั่นเองนี่แล คือการมาสร้างพัลตนาใจสร้างที่พึ่งสร้างสมบัติสร้างตัวเราให้เป็นมหาเศรษฐีด้วยการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าความสุขต่างๆที่เราปรารถนาจะมีอยู่ในใจของเรา ความทุกข์ต่างๆที่เราต้องการให้มันหมดไปก็จะหายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยจึงขอฝากเรื่องของการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสารณะที่พึ่งที่สูงสุดที่เป็นสิ่งที่มีรังคาดที่สุดในโลกนี้ให้ท่านน้อมเอามาพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของเป็นสมบัติของเราต่อไปนี่ให้ท่านได้ไปนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยึนติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประธานพระสงฆ์